ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งเรื่องพระปีโลติกะเถระภาคที่ห้าเรื่องที่สิบของวรที่สิบทันทวักวันานาข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพระปีโลติกะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าหิรินิเซโท บุริโซเป็นต้นตอนพระอานนนจัดการให้ปีโลติกะบวชความพิสดารว่าในวันหนึ่งพระอานนนเถระเห็นทารกคนหนึ่งนุ่งท่อนผ้าเก่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานอยู่จึงพูดว่าเจ้าบวชเสียจะไม่ดียิ่งกว่าการเที่ยวไปอย่างนี้เป็นอยู่หรือเมื่อเขาตอบว่า ใครจะให้ผมบวชเล่าขอรับจึงกล่าวรับรองว่าฉันจักให้บวชแล้วพาเขาไปยังวิหารให้อาบน้ำด้วยมือของตนให้กรรมฐานแล้วก็ให้บวชก็พระนนเถรานั้นคลี่ท่อนผ้าเก่าที่ทารกนั้นนุ่งแล้วตรวจ ด, ดูไม่เห็นส่วนไะไๆพอใช้สอยได้ แม้ศักว่าทําเป็นผ้าสําหรับกรองน้ำจึงเอาภาดไว้ที่กิ่งไม้กิ่งหนึ่งกับกระเบื้องตอนพระปิโลติกะอยากศึกเขาได้บรรพชาอุปสมบทแล้วบริโภคลาบและสาการะอันเกิดขึ้นเพื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายนุ่งห่มจีวรที่มีค่ามากเที่ยวไปอยู่เป็นผู้มีสริรยระอ้วน กระสันขึ้นแล้วคิดว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยการนุ่งห่มจีวรอัญชนให้ด้วยศรัทธาเที่ยวไปเราจะนุ่งผ้าเก่าของตัวนี่แหละดังนี้แล้วก็ไปสู่ที่นั้นแล้วจับผ้าเก่าทำผ้านั้นให้เป็นอารมณ์แล้วก็โอวาตนด้วยตนเองว่าเจ้าผู้ไม่มีเหตริหมดยางอาย เจ้ายังปรารถนาเพื่อจะละที่นุ่งห่มผ้าทั้งหลายเห็นป่านนั้นกลับไปนุ่งท่อนผ้าเก่านี้มีมือถือกระเบื้องเที่ยวขอทานก็เมื่อโอาวาตนอยู่นั่นแหละจิตผ่องใสแล้วท่านเก็บผ้าผืนนั้นไว้ที่เดิมนั้นแล้วกลับไปยังวิหารตามเดิมโดยการล่วงไปสองสมวันท่านกระสันขึ้นอีกไปกล่าวอย่างนั้นแหละ แล้วก็กลับถึงกระสันขึ้นอีกก็ไปกล่าวอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็กลับด้วยประการชนนี้ตอนพระปิโลติกาเทระบรรลุพระอรหัตภิกษุทั้งหลายเห็นท่านเที่ยวไปไ ป, ไปมามาอยู่อย่างนั้นจึงถามว่าผู้มีอายุท่านจะไปไหนท่านบอกว่าผู้มีอายุ ผมจะไปสํานักอาจารย์ดังนี้แล้วก็ทาผ้าท่อนเก่าของตนนั่นแหละให้เป็นอารมณ์โดยทำนองนั้นนั่นเองห้ามตนได้โดยสองถึงสวันเท่านั้นก็บรรลุพระอรหัตตผลภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าผู้มีอายุบัดนี้ท่านไม่ไปสํานักอาจารย์หรือทางนี้เป็นทางเที่ยวไปของท่านไม่เชื่อหรือ ตอนคนหมดเครื่องข้องไม่ต้องไปไปมามาท่านตอบว่าผู้มีอายุเมื่อความเกี่ยวข้องกับอาจารย์มีอยู่ผมจึงไปแต่บัดนี้ผมตัดความเกี่ยวข้องได้แล้วเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ไปสำนักอาจารย์พวกภิกษุกราบทูลเรื่องราวแด่พระตถาคตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระปิโลติกาเถระอวดอ้างพระอรหัตผลพระสัสดาเธอกล่าวอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุเธอกล่าวคาชื่อนี้พระเจ้าค้าพระสัสดาทรงสดับคำนั้นแล้วตรัสว่าถูกละภิกษุทั้งหลายบุตรของเราเมื่อความเกี่ยวข้องมีอยู่จึงไปสำนักอาจารย์ แต่บัดนี้ความเกี่ยวข้องเธอตัดได้แล้วเธอห้ามตนด้วยตนเองบรรลุพระอรหัสต์แล้วดังนี้แล้วได้ทรงภาสิทธิพระกาถานี้ว่าหิรินิเซโทปุริโซโกจิโลกาสมิวิชติโยนิดังอ ป, ปโพเทติอัโซพัตรโรกาซามิวะ อโซยทธาพัตโรกาสันิวิทโทอาตาปิโนสร้างเวกิโนพวาทะสัทธายาซีเลนะจะวีริเยนะจะสมาธินาธรรมวินิชเยนะจะสัมปันนวิชาจรณาปฏิสตาปหัสธาดุคมีดังอนัปปกันติบุรุษ ผู้ห้ามอากุศลวิตกด้วยเฮริได้น้อยคนจะมีในโลกบุคคลใดกำจัดความหลับตื่นอยู่เหมือนม้าดีหลบแท่ไม่ให้ถูกตนบุคคลนั้นหาได้ยากท่านทั้งหลายจงมีความเพียรมีความสลดใจเหมือนม้าดีถูกเขาตีด้วยแท่แล้วฉะนั้นท่านทั้งหลาย เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลวิริยะสมาธิและด้วยคุณเครื่องวินิจฉัยธรรมมีวิชาและจรณะถึงพร้อมมีสติมั่นคงจากละทุกข์อันมีประมาณไม่น้อยนี้ได้ตอนแก้อัดคนผู้ชื่อว่าหิรินิเสธบุคคลในพระคาถานั้นก็เพราะอัดว่า ห้ามอากุศลวิตกอันเกิดในภายในด้วยความละอายได้สองบทว่าโกจิโลกัสมิงความว่าบุคคลเห็นป่านนั้นหาได้ยากจึงชื่อว่าน้อยคนนักจะมีในโลกสองบทว่าโยนิดดังความว่าบุคคลใดไม่ประมาทแล้วทำสมณธรรมอยู่คอยขับไล่ความหลับ ที่เกิดแล้วแก่ตนตื่นอยู่เพราะฉะนั้นบุคคลนั้นจึงชื่อว่ากำจัดความหลับตื่นอยู่บทว่ากาซามีวะเป็นต้นความว่าบุคคลใดกำจัดความหลับตื่นอยู่เหมือนม้าดีคอยหลบแท้อันจะตกลงที่ตนคือไม่ให้ตกลงที่ตนได้ฉะนั้นบุคคลนั้นหาได้ยาก ในคาถาที่สองมีเนื้อความสังเขปดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายแม้เถอทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีความสลดใจเหมือนม้าดีอาศัยความประมาทถูกเขาฟาดด้วยแส้แล้วรู้สึกตัวว่าชื่อแม้ตัวเราถูกเขาหัวดด้วยแส้แล้วในการต่อมาย่อมทำความเพียรฉะนั้น เธอทั้งหลายเป็นผู้อยู่อย่างนั้นแล้วประกอบด้วยศรัทธาสองอย่างที่เป็นโลกิยะและโลกุตระด้วยปาริสุทธิศีลสี่ด้วยความเพียรเป็นไปทางกายและเป็นไปทางจิตด้วยสมาธิสัมปยุตด้วยสมาบัติ8ด้วยคุณเครื่องวินิจฉัยธรรมมีอันรู้เหตุและมีใช่เหตุเป็นลักษณะ ชื่อว่ามีวิชาและจารณะถึงพร้อมเพราะความถึงพร้อมแห่งวิชาสามหรือวิชาแปดและจารณะสิบห้าชื่อว่าเป็นผู้มีสติมั่นคงเพราะความเป็นผู้มีสติตั้งมั่นแล้วจากละทุกในวัตะอันมีประมาณไม่น้อยนี้ได้ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้น ตังนี้แลเรื่องพระปิโลติกะเถระจบ